นะโมจตจักรวโราโุอาหาโตสัมมาสัมพุทธัจ้าคุธังธัรมังสงฆงนิมิตามิอิโตุปา ร, รังสกจังธัมโมโสุสโพติอเอาต่อไปนี้ญาติโยมทุกๆคนตั้งใจฟังธรรม การฟังธรรมวันนี้ฟังธรรมในความสงบ <c oughs> ให้เอาใจฟังยาวหูฟังไม่ถึงไม่ไม่เอาใจให้เอาใจฟังทังนั้นตีนั่งให้มันสงบนะและ้วก็ไม่ต้องกวนนมือก็ได้นั่งให้มันสบายสบายเอามือวางแล้วก็จับของเราอนนะี อย่าให้มันขึ้นข้างบนความรู้สึกของเราอย่าให้มันขึ้นข้างบนอย่าให้มันลงไปข้างล่างเหมือนในพานเขายิงนกขึ้นข้างบนก็ไม่ถูกนกทอดไปข้างล่างก็ไม่ถูกนกอย่างนั้นวันนี้มีญาติโยมทั้งหลายทั้งชุดใกล้ไกลจะยังไงก็ตามล้วนจะเป็นชาวพุทธที่มีกัญชา นับเมื่องว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมมาทางอำเภอวาริตจะมาดกสองคืนกันนี่เลยมั้งเมื่อคืนนี้นอนอยู่ั้งแสงเชนตวันนี้มานอนอยู่วันน้องโปงทั้งหลายเดานี้ก็ร่วนต่นว่าแสวงหาทางคนทุก์แสวงหาธรรมะ ธรรมะเป็นเครื่องนำให้มนุษย์ทั้งหลายตัดทั้งหลายคนจากทุกข์ให้พอใจอย่างนั้นและก็เฉพาะวันนี้เป็นกรณีพิเศษทุกปีในสมัยก่อนสาขาวัดประโภคมีหลายสิตแห่งแต่ก็ให้มารวมที่วัดน้องประโภค วันมาคบูชาวันมีสาตบูชามารวมที่วัดน้องประโคนกันทั้งนั้นทำไมสมัยปัจจุบันนี้จึงไม่มารวมกันมีอาจใจเหตุการณ์มันดูจัด ก, การดูจัดเวลาพอสมควรญาติโยมทั้งหลายทุก ท่านที่มุ่งมาวัดน้องประโงคก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มาฟังมธรรมากันวัดน้องประโภคนี่เป็นแหล่งนั่นหนึ่ง่งขยายธรรมะให้กระจาชนทั้งหลายผู้ที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจผู้ที่เข้าใจน้อยให้เข้าใจมากๆขึ้นจนกว่าที่ว่าบารรลุธรมรมบรรลุธรรมอย่างไร บางคนก็ดีว่ายังไม่บรรลุธรรมคือไม่รู้จักธรรมนีน่ไม่รู้จักธรรมบางคนก็กินเหล้าเมายามันเห็นว่ามันเป็นของดีของเลิศของประเสริฐเมื่อได้มาฟังธรร ม, มะก็บรรลุขาถึ้นคำหยุดกินเหล้าหยุดค่าตัดหยุดขโมยหยุดโกหกพกลมต่างๆเลิกไปทั้งหลายเดี๋ยวนี้แหละมันบนรรลุธรร ม, มะตรงนั้นอะ่ะ แต่เราทรา์ที่ว่าบันดุธรรมะนี้เราก็คิดว่ามันสูงเกินไปว่ามันเป็นปารตาธรรมะที่เราทั้งหลายที่จะไม่ควรถึงไหมคำที่ว่าบันดุธรรมะก็คือเข้าไปถึงธรรมะนั่นเองอย่างเราทุกคนมาวัดต้องประพงวันนี้ เมื่อมาท่าอยู่ท้าแสียงเ็ตก็ยังไม่บรรุถึงวัดสองประโขงออกจากท้าแสียงเ็ตมาแล้วมาโดยรถรวมกันมาตั้งใจมาถึงวัดสองประโขงนี้นี่เรียกว่าบรรุวัดสองประโขงแล้วคนบรรุธรรมะก็อย่างนั้นคนบรรุธรรมะก็อย่างเดียวกันไม่เปลกอะไรกันเลย เหมือนกันเช่นนั้นนี่คำเรียกวาบรรลุมันเป็นปาจจารรมะเราทุกคนโดยมากได้ยินว่าบรรลุธรรมะรก็เข้าใจว่าศักยนิมันสูงมากเก่งว่าเราชาตนี้คงจะไม่ได้บรรลุเ น, นี่ยเข้าใจกันเชอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงเช่นมาอันนี้มันบาปถ้าเราเห็นยังไม่ชัด ถ้เห็นไม่คัดก็ละหบาไปได้อันนั้นยังไม่บรรลุธรรมะเท่าที่ควรตั้งไปพิจารณาไปปฏิบัติไปจนเห็นชัดมาเห็นโทษมันแน่นอนแล้วว่าการกระทําไม่ดีเห็นชัดเห็นแน่นอนจนไม่กล้าจะทํามันอีกต่อไปจนไม่กล้าจะเกิดมันได้เป็นพืชพันธุ์อีกต่อไปแล้ว ในเวลานั้นจําเป็นเราต้องวางมันทิ้งไปเพราะเห็นโธดมันแต่ก่อนเรายังเห็นโธมันท่านบาบาบาบาแล้วก็่าบาปเหือนกันแต่ว่าเรายังทําบาปอยู่ทาผิดอยู่ทาชั่วยอยู่ก็เรียกว่าเรายังไม่บรรลุถึงธรรมะผู้บรรลุถึงธรรมะก็แต่าคายกับเรามองเห็น ง, งูเห่าหัวระดับยด คือมันเดือไ ป, ไปเรื่อยไปแต่เรารู้จักว่าเอองูนี่มันเป็นอัศรพิษแบบพิษในงูนี่มากถ้ามันตัดใครแบบมันตายเสียหายอย่างนี้เมื่อเราเห็นเป็นงูเหา่างูสามเหลี่ยมหรืองูทําคาันเรารู้จักว่ามันมีพิษอย่างไร่เรื่อกัดคนก็ตายไม่ตายก็เยินตายอย่างนี้อันนั้นก็เรียกว่าเรารู้งูเหา่างูสามเหลี่ยมงูทําคาน ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่กล้าไปจับงูอีกไม่กล้าใครจะบอกไปก็ไม่กล้านี่เรียกว่าบันโดธรรมะบันรดถึงงูเห่างูสามเหลี่ยมเนี่ยบันดุถึงจิดมันไอ้ความชั่วทั้งหลายนี่สมกัติากาัตัณหอถ้าเราเห็นโทษมันทัดมันไม่ยากหรอกมันก็เรื่ของมันเอง ขอแค่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วปฎิจัยนาไปมันเลิกถ อ, อนมนันเองเมื่อมันบรรลุถึงธรรมะเมื่อไรนะมันก็จะเป็นธรรมะมันก็จะรู้จักธรรมะรู้จักธรรมะมันก็จะเป็นธรรมะมฉะนั้นวันนี้ธรรมะนี้ที่เราทํากันอยู่นี้เราประพฤติกันอยู่นี้เราปฏิบัติกันอยู่นี้รล เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งพวกพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ได้มาปลาลบเป็นมุนมาอิสากราบูชาเดือนหกเป็นวันนี้คล้ายกันกับว่าเป็นวันเกิดของท่านวันที่ท่านประสูตร หรือเป็นวันที่ท่านกันจจาูธรรมะหรือวันท่านบรรลุธรรมะนั่นเองหรือเป็นวันที่ท่านปาริมีพานทางสามการนี้คล้ายๆกับวันนี้ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งซึ่งเป็นกรณีพิสศษพวกเราชาวพุทธทั้งหลายต่างคนในทิศ อยู่ในภิสาลุทิศทั้ททงหลายเป็นวัดไหนครูบาอาจารย์ที่ไหนได้สอนธรรมะที่พอสมควรในหัวใจเลือกสตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นอย่างญาติยอมทุกคนมาวันนี้บ้านใกล้ก็มียอมอยู่กรุงเทพก็มีอยู่จังหวัดอื่นก็มีอำเภออื่นก็มีซึ่งมารวมกัน คนเก่าก็มีคนใหม่จะมีร เ, เรื่อง เ, เรื่องธรรมดาเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พีเศษวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเกิดหรือท่านกัจรูธรรมะหรือท่านปริยพานที่เราเรื่งใสในท่านยังเรารู้จักบาปมุนคุณโทษ เาได้วบวชคุณตบุตรคุณอาิดาทั้งหลายในประพฤติปฏิบัติมาถึงบันนี้ขอเเราะบุญคุณของท่านอย่างนั้นจึงจัดว่าเป็นบุญคุณอันเลิศประเสริฐที่สุดเราจึงไม่ควรละเลิกควรระละรรึก ถ, ถึงในเวลาที่สำคัญ อันนี้เจ้าเป็นเรียกว่าเป็นพุทธานุสติคือเรามารดลึกถึงพระพุทธเจ้ารดลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านในอุตสาห์ในพยายามเบิกบุกบันทำพระศาสนามาถึงบัด น, นี้ก็เพราะท่านฉะนั้นไอ้พระคุณอันนี้เราจะทิ้งเสียไม่ได้จำเป็นจะต้อง มากราบมาไหว้มาสร้างคุณงามความูีในวันนี้ก็ถราผู้มีพระภาคของเรานั้นก็เป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่มานไม่ใช่รม่มไม่ใช่อื่นเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่อาช จ, จ์จันเป็นมนุษย์ที่แปลก เป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์มนุษย์ผิดปกติไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาเรามนุษย์ผิดปกติแล้วมีสองอย่างหนึ่งอิปกติจะไนทางสูงก็เรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโพธิเจ้าเป็นปรารหันเจ้าขึ้นไปเลยนี่เป็นมนุษย์ที่ิปกติทั้งนั้นนะ ถ้าคิดปกตรลงข้างล่างา ก, เากเ็เป็นบ้ากันเห็นไเป็นบ้ากันโลกวาชาคิดปกติเหมือนกันคิดปกติมาข้างล่างข้างต่ำาพราะผู้ชนธรรมดาเราสามัญชนธรรมดาเ่เป็นมนุษย์อยู่กลางกลางยังไม่เสียยังไม่เป็นโลกวรชาได้ยังไม่เป็นพระอรียเจ้า แกแรกก็จะเกินได้ทั้งสองอย่างนะเกินได้ทั้งฝ่าอดีตเจ้าเป็นได้ทดั้ทงบ้าเห็น ไ, ไหมนะทุกวั น, นกวนเลยนะแกชวนมากมันอยากบินไปทางล่างมากเราทุกวันนี่ก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีปกติธรรมดาธรรมดาถ้าผิดปกติแล้วไม่ดีไปทั่วฉะนั้นมันจึงมีความจับสนในอาการที่ ร, รู้ทุกวันนี้เห็นไหม ทุกวันนี้ยิงคนไม่รู้จักบางทีเห็นม่ามาก็ไปเที่ยวกราบหอนี่นี่ฝ่าพระอรหันต์เนี่ยเพราะอะไรมันแตกจากคนธรรมดาเราอ่แบบคนแตกจากคนธรรมดาเราแล้วพอคิดอะไรมาเป็นพระอรหันต์คนนี้ก็ไปกราบคนนั่นก็ไปกราบตอนไปยิงกราบที่ว่าอย่างนี้มันก็มีถ้าหานี้จริงๆไม่รู้จักจริงๆนะ่ะ พระอริยเจ้ากับบ้านเพราะมันเป็นคนจิตปกติเหมือนกันทั้งสองอย่างเราได้ไม่ดูเรื่องในสูงขึ้นไปเราก็ไม่ดูจัดจำลงไปคนนั่นเราก็ไม่ดูจันเพราะเราเป็นคนขึ้นขึ้นตลางๆคนที่ขึ้นขึ้นกลางกลานี่ยิงว่าจริงเป็นมนุษย์ที่ควรฝึกเพราะว่ามันฝึดดีก็ได้ฝึกชั่วก็ได้เป็นมรุษีควรฝึก เป็นพัภัสต์ที่ความการรู้ธรรมะไม่ควรมนิ่งนอนใจมันจะเป็นดีก็ได้มันจะเป็นชั่วก็ได้เป็นบ้าก็ได้เป็นพระอนิจ้าวก็ได้เพราะบ้ามันอยู่ในล็อกนี้ดังนั้นองค์สมเด็จพระธมรมจัมพุทธเจ้าของเรามันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะรู้จากคนอื่นได้ยาก คุณงามความดีเ ร, รารู้จากคนอื่นในยากเพราะว่าทำทั้งหลายนี้มันเป็นปัจจิตังมันไม่ไดเชื่อหรือการบอกต้องเหตุผลไปรู้เองเห็นเองถืงแมพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่า น, นผ่านไปแล้วท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยธรรมะสักนิดหนึ่งท่านก็ไม่ได้เอาไป ท่านวางไวในโลกีทั้งหมดท่านไม่ไเาไปทางนั้นแต่พวกประชาชนเราทังหลายเนี่ยบางคนก็น้อยใจเออแม้ถ้าเราได้เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าเราก็คงจะได้เป็นพระอรหันต์เจ้าคงได้ปฏิบัติ แนี่ก็น้อยใจพดคำนี้ขึ้นมาแล้วก็น้อยใจนึกว่าเราไกลจากพระพุทธเจ้านึกว่าพระพุทธเจ้าเก็บของนี้หมดแล้วเราเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติธปฏิบัติเป็นถูกปฏิปนนนันูได้ในจิตนี้อย่างนี้ก็คิดไปคนเราคิดตามภาษาของคน จำเป็นก็ต้องคิดไปอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นธรรมะทุกอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้เอาหน่ไปที่ไห น, นไม่ได้แบ่งท่าไปที่ไหนเลยยังสมบูรณ์อยู่อย่างเก่าสมบูรณ์อยู่อย่างเก่าถึงแม้ว่าท่านปาริณิพานไปแล้วนั้น แต่ความจริงนั้นท่านยังไม่ปริหานท่านยังอยู่ท่านยังมีอยู่ท่านยังอยู่พระพุทธเจ้ายังอยู่ถ้าใครไม่รู้จักก็เสียใจตกใจ บาเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะธรรมะก็เพราะธรรมะท่านบนรรลุธรรมะจริงเลยนามท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นทำไอ้ที่จะให้ท่านบนรรลุ เี่ยนจนพระพุทิเจ้านั้นยังอยู่คือสัจจะธรรมยังเย่พระพุทธเจ้าหลายๆองค์จะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดก็ตามจะมีพระพุทธเจ้าก็ตามไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามธรรมะนี่ยังอยู่ธรรมะเครื่องกัดรู้นี้ยังอยู่ไม่สูญหายไปที่ไหนใครทําเมื่อไรเมื่อก็ยังได้ยังเต็นอยู่เพราะสัจจะธรรม ดังนั้นสำนัญว่าสอนพระอนุนอนุนอนุนโตกเศร้าเสียใจพระพุทธองค์จะปรินัิภานแล้วก็นึกในใจว่าเราอยู่กับท่านปฏิบัติมานานแล้วจิตใจเราก็ยังไม่เป็นพระอริยะบุคคลพระพุทธองค์จะมาปรินัิภานไปจะแล้วก็น้อยใจเราให้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสงสารกะเรียกอนุนมา อา น, นุนเข้าใจเหตอยากเข้าใจอย่างนั้นถ้าอา น, นุนเข้าใจเิตุให้ท่านปฏิบัติไปเถอะทําให้มันมากจเจริญให้มันมากด้วยศรัคธาของท่านยาปัญญากเกิดจะเห็นธรรมะเมื่ออ น, นุนเห็นธรรมะจะได้เห็นต่อพ ร, ระเจ้า เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าโพยธรรมะไอ้ความเป็นจริงเนี่ยมันอันเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์ที่ว่าไม่มีรูปคือหลักการวิชาการที่จะให้งินพระพุทธเจ้านั้นไม่จะหายตรงไหนพระพุทธเจ้ารวยรูปก็คือเป็นคนธรรมดาเรา แต่เรียนวิชานั้นรู้วิชานั้นรู้เรื่องแก้ไขอันนั้นจนขวดีว่าท่านรู้จักทุกท่านรู้จักเหตุเกิดของทุกท่านรู้ความหลับทุกท่านก็รู้ข้อปฏิบัติเกี่ยวความหลับทุกความรู้สีอย่างเท่านั้นไม่ต้องอะไรมากรู้ตามความเป็นจริงของท่านทุกก่อนหาที่เกาะไม่ได้ ตัวทุกข์นี่มันก็ไม่มีเพราะทำไมไม่เพราะว่าเหตมันก็ยังไม่มีแล้วรู้จากเหตมันแล้วก็ไปดับเหตุมันแล้วผลคือตัวทุกข์นี่มันก็ดับไปวิชาความรู้อันนี้ยังอยู่ตลอดการตลอดเวลาโลกนี้มันจะเป็นยังไงไปประจักมันอันนี้เดียวประพุทธะจ้ายังเป็นอยู่ยังมีอยู่ตลอดการตลอดเวลา ทุกวันนี้พระพุทธเจ้ายัางมีอยู่ในไปที่ไหนคือธรรมะของท่านเหมือนกันกับครูเปรียบในฟังแบบบทครูพูดง่ายๆล่ะครูคนที่เป็นครูนั่นคือใครคนที่เป็นครูนั่นก็คือคนที่ไปเรียนวิชาของครู จนสอบได้ตามหลักการของเขาแล้เขาก็ยกให้สอนในเงินเดือนในจัดชื่อให้ว่าเป็นครูค ร, ครูครนที่เป็นครูนี้ถา้าครูนี่ตายไปแล้ววิชาของครูนั้นไม่เคยตายยังอยู่ ใครยังเรียนต่อไปอีกได้ก็ยังเป็นครูต่อไปวิชานั่นไม่หายวิชาเนี่ยไม่ตายวิชาของครูที่ครูเรียนมาแล้วในเป็นครูเนี่ยตายไปครูนั่นครูไม่ได้เอาไปด้วยวางไวในโลกนี้อย่างเดียวกันทำเพี่อกัจจุรูป ข, ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันอถ้าเราเข้าใจกันอย่างเนี้ย พวกเราพอจะมองเห็นธรรมะจะได้มีศรัทธาปฏิบัติให้มีศรัทธาอันนี้ก็เรียกว่าถ้าพระพุทธเจ้าทัานทีพานแล้วก็หมดจะหมดไม่เห็นพระกูลเดียเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นบาปไม่เห็นบุญ อย่างนั้นค น, นก็ทําได้ทั้งบาปทั้งบุญนั่นแหละเขาว่าบุญกับบุญไปอย่งั้นเขาว่าบาปกับบาปไปองนั้นเละไม่เห็นมันชัดไม่เห็นตัวบาปไม่เห็นตัวบุญตามความเป็นจริงก็เหมือนกันกับเราที่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าคือไม่เห็นธรรมะนั่นเองไม่เคยยึดใกล้นี่คือการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งหลายนั้น มันจริงเป็นหมันอยู่ในเวลานน้่งถึงเงี้ยแค่ๆที่เรียกว่าจะให้ถึงพระราตนาฏยึดพระราตนายประพุทธประธรรมประสงเปียรติพึ่งอย่างนี้ก็ยังไม่ไปได้ถ้าเป็นอะไรอะไรมาแล้วก็ได้คุณค่ะยังไม่เชื่อท่านยังไม่เชื่อ้อของกันเนีย อยังไปไปดูหมอดูอว่ามันเป็นเพราะอะไรไปดูรื้ไปดูหมออีกจ้องใหหมอบอกว่าจ้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นจ้องแก่อย่างนั้นอ ย, อย่างนั้นจะลอกคะอย่างนั้น อ, อ, อย่างนั้นนะท่า น, น, น, ทนี่กป็เสียแหละไม่เชื่อข้อไม่เชื่อข้อพระพุทธเจ้าพระพุทธประกาประสงค์นี่กุเรียไม่ถึงพระนรตะไส้เลยไม่จริงจัง ไม่ถึงพระราชาไกลอย่างเนี่นแฟนอย่างจีจังในงนี้นมันถึงยากมันถึงลาบากเมื่อเจ็บเป็นเย็นดุนมาสารพัดอย่างไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายอย่งนีน้ไปหาหมอว่ะไปหาหมอผีว่ะหมอสิบวดาว่ะหมอสารพัดอย่างมอืมก็จะมาเจ๊ไขอันนี้ ที่พระพุทธองของเรานั่นตั้งก็ียกให้หาหมอเจอธาตุสีดินน้ำไฟลมมันพุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาด้วยธรรมชาติมันสิ่งที่แก้ไขมันได้แค่เป็นงเท่าก็คือยุดยาคือยุกย า, คยกยาแค่นั้นแตงจึงบัญญัติกี่ว่ายายีรอนยินตวาเทเรนาสนะเปสัตยาบะบัดโลกนี่ เพมันจะเรื่องขอ ง, งนันฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ถ้าคิดแล้ก็ยังหา่หางห่างไกลามากยังไกลมันยังไกลามากแต่ว่าเขาวัดทุกคนทำบุญทุกคนเดี๋ยวจะเป็นขมนิกับทุกคนโกหกกับทุกคน อะไรอะไทุกคนมันทุกคนในทุกอย่างทุกอย่างอันตรามาตรวจใจที่เรียว่าเคยพูดให้ฟังบ่อยๆพระพ่อหลังคือคือพระชุเมโตแกก็มาอยู่ด้วยศึกษาธรรมะตรงไปตรงมาเราก็สอนนั่นนี่มันเป็นบาปอันนั้นเป็นบนุญละไม่อยู่ด้วยหลายปีเหมือนกัน ควกรก็ให้ให้ท่านไปอยู่วัดจันทชาติเพื่อให้ช่วยคนแก่หรือคนหนุ่มวัดเมือง น, นุงหวายสมัยก่อนชาววัดเมืองหวายหนุ่มหนุ่สาวสาวเขามากันมากจนแกในสมัยนี้มันมายากก็เลยให้พระประหลังไปอยู่ช่ข้อเขาก็าจะได้อยู่ใกล้ทางเกลีอยการจับงาน มาประโอยู่อะไรทุกเม่โทรแกก็ตั้งใจทึกวันพระวันเชิมาก็ออกมาสมานุโสโทีตินกันมาตันเจอดีใจมีคนไทยมีรับศิลหลับพรหลายมีศิลนมีธรรมมากคืออยู่ไปในชีวันในน้ําวันแต่เออไปเห็นคนที่มารับศิลหลับพรมันไปชินเหลา ไปวิทาวาัดไปไปทอดแห้ะไปกินเหล้าอย่างนี้แกก็เลยงดทางเลยเออบัดั้ก็กลับมาก่าบหลวงพ่อทําไมเป็นอย่างงั้นเล่าอเมืม่อคืนเนี่ยพอมาจะมาทานถิ่นกันแล้วว่าจะไม่ขาดตาดัดไม่รักทรัพย์ไม่กินเหล้าทาไมไปกินกันอยู่อย่างเนี้นี่คือความสริงข้อข่าว ถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นการจริงงานไหมมันจะสอนอะไไปถึงไหมมันจะได้ผลไหมกำลังใจเขาแยอ่ อ, อนมาขึ้นว่าใครสรทบทานถิ่นแบบพุทธศาสนาก็เลิกเลยไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ค่าตัดทำไมไม่ค่าตัดไม่กินเหล้าก็ไมกินเหล้าเลิกเป็นจัดยังไงอันนี้อันนี้มัอยู่อย่างเกา่าเออ รับสิงกรับไปเถอะเล่ากินไปเถอะดึกทั้งสองอย่างก็ดังดูไม่ออกขันดังดูไม่ออกกลัวไม่รู้ว่าทางหน้าทางหลังจะเป็นงไงเจ็บเสยำบากไม่สบายใจมหาลชุนิโทโฮอย่าไปคิดมันมากสิให้เขาใจเอาพบกั่นปกเล็ก สอนปลดเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นยาไปถือเลยนั่งคอยเลยนะเมื่อไรลานี้ความรู้ความเมตต์มาเขาจะลาตัวเองอ่ะอยากเรียนจะอยู่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนเรามันไม่เข้าถึงกิจุดรมันจะอยากจะบรรลุธรรมะอยากปฏิบัติธรรมะถึงไม่มาปฏิบัติธรรมะ เป็นพระเป็นเมนเป็นทีเป็นขาวเป็นภูมาสกมัสิกาเสมอกันแต่ว่าไม่รู้จักกำหนดจิตใจของเจ้าขราคะเกิดนมาในจิตโทสะเกิดมาในจิตโมหะเกิดมาในจิตไม่รู้จักกำจัดจะมันสมมุยกัน เป็นพอะคนไม่ใช่เป็นพระกฎหมายอันนี้ก็ดูดปัปตกนี่เรานี่คือมันการนั้นเราจะต้องมีควมหมายอันตรามาเคยสอนสอนจำที่จำไทยอยู่ดีๆไม่ค่อยอย่ดสอนที่แถวนี้ ไ, ไปต่อไปไายแล้ว ในตั้สอนเป็นในขัดโดกตัวไม่ตั้งสอนไปนถึงไหนเนาะสอนเพื่อคนไม่รู้จักบาปทาไมไมันจะรู้จักแล้วก็ในหลักพุทธศาสนาในตั้ะสอนไหมดีสอนเพื่หัวใจมันเนยหัวใจมั้ยหัวใจพุทธศาสนาคือไม่เคยทาบาปทางปวงอ่ะ แล้วกระทั่งิตในสมบูรเป็นกุศลอันหนึ่งแล้วก็สามขัน้นทำทำใจของสายอันห น, นึ่งใช่ไหมที่เขาใจพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าเมื่อเราทำนะเราไม่เอากันยังไงจ้ะจุดทั้ทงหลายมีว่าตัดมันก็มีดีมันก็มีดเดียนกันแต่ว่าเดีย น, นเอาไปเป่าสีสัก ตับกระนียไปกันผีซะสภาที่ศึกษาไปสับไปกลับมาไปเป้าแสดงซะมาทมันก็ดีเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นวันนี้มันก็แปลกไปอย่างนั้นเอาตับมันให้ตับเนี่ยมันอร่อยกว่าเขาแล้วเอาให้ยังไม่กินหนึเอาหัวใจมันให้เขายังไม่กินหนึ่งนู่นจะอะไรแต่ให้มันไม่เอามันไม่ถูกวัน การย่อให้แต่ว่าเราบนที่ว่าไม่รู้จักไม่ได้เรียนไม่รู้จักไม่ได้เรียนเรื่ออะไรมากมายง่ายๆเอาไปทำงานอยู่แล้วจะชอบที่ทีว่าชอบที่ไม่ดูเรื่องอยากโยมในตรงไหนชอบที่คำพูดที่ไม่ดูเรื่องมันน้ำมันน้ำาแล่ขันได้หยดตรงเนียันจะหยดตรงนี่ยหยทางาน เราก็เล่นตามันขึ้นไปเรื่อยหยดของน้ํามันกระติอกับปับปับปับปับพเล่นขึ้นไปปุกน้ํามันก็ติดกันไหลเลยหยดแห่งน้ํามันหายไปไหนมันเป็นสายของน้ําถ้ามันติดกันแล้วทำไมเรียกว่ายดแห่งน้ํเขาเรียกว่าสายน้ำเนี่ยสายน้ํามันเกิดมาจากอะไรมันเกิดจากหยดแห่งน้ําหยดมันที่ทีกับมันเป็นสายน้ําหมดหยดแห่งน้ํานี่ งันก็ต้องเอาอย่างนี้ค่อยๆไปอย่างนั้นปฏิพุทธปิวัติทำไมมันจะไม่ขาดใจเจ้าของละ่ะ อ, อันจะมามันขัดแต่เป็นวีวดในตึกระนาดเนี่ยครับทำไมมันไม่ขัดละ่ะเฮ้ยท้อ ม, hey to, มาชันข้าวมื่ียเนี่ยเด็กดุนดุนยันงไงเนี่ยชันข้าวมุดกอนขนาดนี้ฉันมือยาว จะนั่งภาวนาบาง็ันบางมันก็เดินไปในตลาดนั่งเดินจะหา ก, กินเสียวกินโนู่นก็อีน่นสัญชาตางแต่มันจะไปไอโยไม่อยากใจมันขัดใจเลยจะทำยังไงมันกิเลดมันหลาต้องอดทนอดทนบางทีปฏิบัติไปท่องไม่สมายในหมอไปตรวจท่านไม่ได้ครับ มันเป็นโรกระพะท่านต้องันข้าสองสามเวลาบางทีาคับให้ให้ชันข้าเย็นอีกสิบวันห mm. ยอชัข้าเย็น mm. ก็กินข้าเย็นไมถสันรับชันัอย่างท่อนต่อสู้ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ว่าชันเอกาเนี่ยท่านบอกว่าดีมัมีโรคภัยอย่ด้วย หมอสวรรค์ขาดอาหารน่ยไปบนเดินทางเนี่ยเราเป็นคนปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะอย่างนี้มันเรื่องปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันลำบากเหมือนกันแต่ว่าเราจะเราจะเชื่อใครไหนมากมันก็ไม่ได้นะอย่างหมอรักษาเนี่ยเขาจะดีเชื่อหมอเป็นมะเร็งก็มีนะ <c oughs> หมอเป็นมะเร็งก็มีตายเลยเนี่ย ทำไมเป็นต <Ư> ัางนี้มันก็เป็นได้อย่างนี้เนี่นอนนี่ก็ได้มาอะไรจะต้องทาอะไรแล้วก็ต้องทำให้มันด้วยปัญญาของเราขึ้นต่อพระพุทธเจ้าองเดียเท่านั้นแหละพอเนาะพอทำลายลาบาปก็ละไปซะบำเพ็นบุญกับบำเพ็ญไปซะตอนนี้ก่อน อะไรที่มั น, ม, นามาดีจะเกิดจะทําโดยกายโดยวาจาใจของเราเนั้นไม่ทําไม่พูดไม่เอาวนะ่ะเนี่ย เ, ยเยมื่อทำขึ้นจิตมันก็กเป็นบุญจิตมันต่องไสมันสะอาดเท้านั้ น, นแหละจะเปลียนขึ้นเปลียนขึ้ น, น, นเท่านั้นมาดื้อ น, นั่นต่างกับคนนั้นน่ะที่แรยกยากจะคุกกบไม่เอาตัวเอาตัวไม่เอาแต่คุกเลยวางก็ได้ไปสู้หรือจับ ก, ก็ได้ ทั้งรียกตัวหักขามันทุกตัวเลยหักขานี่มันก็ยังไม่เสร็จยังหักขานิดน้อยมันีกหักแขนมันอีกขนาดนั้นต่อมาจะต่อมาจะต่อมาะคุกมันเฉยๆขาไม่หก็เรียกว่าเอาละมันบอกไปละปลาก็จากมาแต่ไม่ฆ่าเอามาขังไว้ดูทีมันเรียกในขนาดนั้นทำงานไม่เอามันจะจำเป็นเยเกินนะ พ อ, อเห็นคุกเนี่ยไม่เอาไม่เอาคุกไม่ถึงหน้าลูกหน้าเมียทังบ้านเนาะจับ <c oughs> อีกแล้วก็อย่างนีมันยากมันจะลำบากมันก็ต้องลาบากอย่างนี้จนได้จนเป็นจนมันเห็นทัดใจใจของเจ้าของมันจะเลิกจะคุบก็ไม่คุบจับก็ไม่จับไม่เลิกเนี่ยมันยากคือ จะต้องอาศัยความอดทนอาศัยการบําเปฏิบัติของเราคือแม้เราจะมาเป็นนักบวชบางคนก็ดูเผลอว่าเห็นม่านักบวชมันสบายไม่นจะเล่นนะนักขัตตักาลมันจะเล่นเหมือนกันนะดีสามลันนะครับคงคงคงคงคงคงแล้วเอาสิ หกโมงกูบาดอโโันนั้นสามกิโลสองกิโลนู่ยิ่งนะเดี๋ยวอันนั้ น, นอันนี้ทำส่าละพันอย่างถ้าใครมีสตาจินอยู่ยากลำบากอย่างรักต้องประโภคเราเนี่ยหาพระจิตอยู่ได้น้อยเจอพระจิตอยู่ได้เป็นพระสิตจังพลาดยังไงพระจิต ป, ปกติยังไงนี่ มื่อกินไปนี่ที่นั่ น, น, น, น, น, นรพระพุทธเจ้ากันจะให้ฝึกอคนเรามันก็ไม่อยากจะฝึกกลัวไม่อยากจะฝึกแต่พบกแก่คนหนึ่งเรนกินเหล้าถึางหกปีเจ็ดปีแล้วกินเมาไม่รู้เรื่องเมาหมดโยมขอเธอจะมาขอเธอะทําทเธอแก่แล้วยังยกมือใส่โอ้ยนี่เป็นประโกนอย่างยิง่งนะ ให้ผมขออีกสักทีเถอะอ่อนขอกินได้อีกสักทีกิจะเลิกมันเสียดายเนี่ยเกิดไม่รู้ว่านไงเนาะของขนาดนั่นก็ไม่ชืไม่เลยพิจารณานลยแค่เรงความชั่วที่มีรูจักเราไปใจมันก็มาใจ่องใสถ้าเราไม่ละความผิดแล้วมันไของใสเราไม่ละบาปไป่ละความชั่วแล้วจิดนิดหน่อยสองใส่เกิดเป็นวุ่นขึ้นยากเกิดเมตตาขึ้นยาก ถ้าหากเราไทำความผิดแล้วเนี่ยเป็นผิดนี่ยโยมเป็นแล้วคือไม่ทำความผิดจะก็เป็นผิดกับกายวาจาเป็นผิดพอเป็นผิดปุ๊บผิดสมาธิผิดต่อกันเนี่ยผิดสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นสมาธิความตั้งใจมั่น หินคือรักความชั่วสมาธิก็าสั่งใจมันต่อไปก็เป็นสมาธิมันเห็นชัดในการละมันเห็นชัดในการวางมันเห็นชัดในการที่ว่าไม่ทําอย่างนั้นแน่นแฟดนกันไปแล้วมันมั่นอยู่อย่างนั้นใครจะพูดไปตรงไหนมันก็แน่นือว่าสมาธิมันมั่นสองหนึ่งหนสมาธิปัญญาถ้ามีหินมีสมาธิแต่ปัญญาเขาเกิดอันนั้นเนี่ย มัจะอยู่ไมมันมอยู่แล้วปัญญาก็รู่รอบๆทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาโดยปัญญาก็ท่านที่ารณาพุทธศาสนาของเราคือศีลคือสมาธิคือปัญญาการภาวนานี่แหละการทํำสมาธิการภาวนานี่มันมีกําลังง เ, เหตุในศีลดีขึ้นเหตุสมาธิดีขึ้นเหในปัญญาดีขึ้นมันเป็นวัยพ รอบกันอยู่เสมอเลยทีเดียวมันควรจะทำพยายามถึงยังทำได้ในวันก็พยายามทาทาไมจะเป็นงัน้นทาไมถึงว่าอย่างนั้นทําไมจะเป็นมันไม่มีอะไรโยมมันจะเป็นของเราจริงๆนั่นมันไม่มีอะไรหมือใครมีอะไรม ทำแล้วจะทิ้งไปในโลกเนี่ยคนมีมากจะทิ้งไป ม, มากค น, ม, นกมีน้อยจะทิ้งไปน้อยแล้เป็นี้ไปอันนี้มันน่าเสียใจเหมือนกะันนะลองดูที่เมื่อเรามีชีวิตหลงเอาสีวิตแรกอะค่ะมันสร้างบาปสร้างกรรมจนอย่างไรต้องพย า, ายามทำเรื่องนั้น ม, มันจะหน้าหน้ามันจะนติดอตมาใบหน้ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเท่าที่ควร กายคนนำล้ำในรวยต้องมีมาแต่ไม่มีปัญญา ม, มีปัญญาเขากลัวอะไรก็ไม่รู้อันตรมาว่าภบนี้มันมีประโยชน์ได้ต้องสร้างภบหน้ามันก็ไม่ใช่ไม่เป็นของยากมันไม่เป็นเป็นของยากยยา ก, ก็เหมือนผลธารม้ เมล็ดผลไม้เราดิ่มดูมันประหวานกันแล้วนะเรล็ดมันน่าจะไปถู่นะยิ่งไปโตนะเอาไปคุยไม่หมดเลยหมดพันเลยนะมันน่าจะคิดอย่างนั้นพูดมาถึงนี่มันนึกถึงลรงจาร่ากังเนี่ยน้อยนะเขาเอาเขาเอาขนุนมาถวายลูกจา พอันก็บไฟ ป, ปูโอมันหวานนี่กิอพอหวานพุกคนึกถึงอยากได้คันมันเลยถามมาน้อยคันขนไหมชันครับอร่อยั้ยอร่อยครับมาเล็ดมันทำยังไงเอาไปต้มลบกตาพูดไม่ได้เลยนะมันไปคนละเรื่องกัน เราสงการจะไปํำค yeah. yeah. ันมันน้นน้อยไปต้มอีกขึ้นกหมดไม่เหลือเนี่ยรถมันมันดีมันอร่อยแล้วกรู้กจักเมล็ดมันมันน่าจะเป็นพืชป็นพันมันต้มได้ไหมเชดตัวนั้นอ่ะไม่มีหรอยี่มันขั้นขึงกระดาษไอ้พวกเราก็ทำกันยังไงคิดไปไปมาๆเลวอาตมาก็ไปมาคิดยัละคิดไปคิดมาขันเหมือนกันน่ คิดไปแล้วมนุษย์ดานี้มันมันก็ไม่มีอะไรนะอยู่มา ด, ดูไม่มีอะไรแล้วอันในโลกมีแค่ความธรรมา ก, ก็เถียงของพระเจ้าเหมือนกันนะียงขันเสียงอ่ามันมันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของของตนไม่ได้ฟังคือความอยากมันหลายมันผุมทับไปเลยความเ็นจริงผู้กามีธรรมะแล้วเขาเอาธรรมะมาใช้อีกนะ มันก็ยิ่งรวยอยู่อย่างเก่ามันยิ่งยิ่งสบายยิ่งมีปัญญายิ่งแปลเปลี่ยนไปไนี่เนี่ยไม่ใช่มันเสียหายไปตรงไหนได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างนี้คนที่ไม่มีธรรมะไม่มีตมะเกิดมาทุกข์เท่านั้นแหละอยู่ทุกข์จะไม่รู้จุดจุดไม่รู้จุดทอย ทำจงานไม่ต้องเอาผลมานไม่ต้องกินผลงานทำจงานนะนะญาติโยมและทั้งหลายทุกคนมันกอ็อย่างนั้นแหละถ้าเรามีบุญมีจิตเมตตาจัดทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยคนมันอยากเข้าใกล้คนเกิน แต่ว่ามันได้เข้าใกล้คนที่ดีๆแต่มันสบายมันกินสบายมันนอนสบายนะมันอยากเข้าใกล้มนุษย์อยากจะเป็นเพื่อนมนุษย์สัตทุกอย่างนั่นงมองเราไปยุคยุคไห น, นกกตื่นๆปกนกปกกระแตกระรอกต่างๆนะต้องค่อยๆเอาเข้าให้มันกินอยูยไปทํมันาไปมองเลยโอ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาถึงนะมันอยากจะเป็นเป็นเพื่อนเป็นมิตรเยอะเกินจะมาเข้ายาก มันก็เป็นเพื่อนมนุษย์มันเข้ายากเป็นเพื่อนตายมันตายอถ้าเข้าได้แล้วมันจะมา่ยยันอย่างจากที่มันเข้าวัดระหโหงเลยเข้ามาไล้กินได้กินเข้าวกินคนน้อยเลยแต่สบายบ้านมันก็อยู่ปกตีสภาพอะไรออกลูกเต็มอยู่นะมันสบายมันก็รูะดุจที่มันเย็นมันก็รู้จักมันอยากจะเป็นเพื่อนมนุษย์ แกมนุษ์นี่มันยากมันเข้ายากมันเขายากเขาลํำบากเรือ่องวิรธรรมนี่มันจะมีธรรมะระบายวว้ถึงนภายนอกนี่มันยากลำบากฉะนั้นเราทุกคนที่เรียวกว่ามันพอสมควรแล้วก็เอาเอาไปพยายามทำให้มันเบาเไป พยายามทำเงินเบาพยายามทำสิ่งใดที่มันไม่เป็นบาปนั่นละ่ะหาเงินหาท อ, องมันก็มีเยอะแยะไปหาเจ้าสิ่มันไม่เป็นบาปนั่นอันจะมาเคยไปพบสารคนหนึ่ยมีต่อเหตุเขายิงช้างอายุสิบหปีเรียนเป็นานายท่ารอ๋อ ยิงค้างมาไม่รู้กี่ปีจนแก่อาจจะมาไปเห็นเข้าก็ได้ว่ า, มาอมันจะต้อบเด้กปืนก่อนจะบอกปืนไม่เอาอะไรโยมเอาจะไปยิงเอาเงิอนอาจจะมาไปเห็นเราเนี่ยถ้าหากว่าจะโรวคนๆ น, นี้นเจนจี่ยเห็นใจบุญหลายแล้วไม่ ก็เลยก็ไปเละกเขาอยู่ในพื้นไลี้เข้าไปในป่ามเมื่อกี้เลื่อนนี่ก็ไปออกมาหมดข้าวกินแล้วก็ยืนกัดเสาวถึงกินไปเรื่อยๆดีในตัวสองตัวมันก็ยังไม่เกจะจายทางใหญ่ๆอาจจะมาก็ไปไปไปพูดโยมทุกวันนี้ทำไรทำมาให้ ควาข้อยูลยิ่งชางางามันขายแล้วนั่นโตฟันของโยมนันจะได้ไหมมีคนมาถอนออกมาไงนีเอามาันพออาตมาเรเปลี่ยนอาชีพรื่อไม่ได้ประโยช ม, มันโอ้ยมันในไร่วนี่งานเขาเนี่ยกลัวมันจะเป็นเม็หนึ่งห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยมันรักษามันมาสี่สิบปีอธิบายฟังแล้วก็นั่งฟัง เขาก็ตอบว่าเอ้ยมันอยากได้ยิ่งแล้วอธิวายติย้มันกวาดไปครบเลยมันอยากได้ยิ่งแล้วอธิวายติย้มเม่ไปมันอยากได้ยิ่แล้วเรื่อยตายมันจะเกิดยันไงอยู่ขนาดมันเหนื่อยมันหา่ม oh, ัน wow. มีทางหาไปบูงก nah nah nah nah hey. uh. so, ็บูงขายก็จะได้กินตัวกัน จะหาเงินสร้างรายทีมันก็ไม่ ง, งาย น, นี่มันจะเงจนตายจนจมอยู่ไหนนี่คือกรรมเพื่ อ, อพระพุทธองค์ของเราใ น, ะนะท่านสอนในธรรมาหาอินในทางที่ชอบเป็นธรรมาติวะอย่าไปทำมันบาปเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นมันจะมีขัญหาได้ออแม่ว่ามันจะ ห, หาไม่เป็น มันไปเอาสิ่งมันเป็นบาปน่นแหละมันเป็นบาปอะไรมันก็ลำบากอะน่ไม่เนคือมัไม่ภาวนากันนไม่หมพูดยังไงมันก็ไม่เห็นนั่นคือจริงจิงที่ลำบากพวกเราทุกคนเนี้ยอาจจะมาว่ามันมันบางในพอจควรอะไรนีที่มาวัดสมุทรงมนี่มันบางในพอจงควรละพอรู้เรื่อง ละบาไปหมดกึ่งกลางๆจะพยายามละหรือพยายามผ่อถึง ว, วันนี้ไม่ได้พวกนี้จะพยายามอยู่ด้วยก็พอเห็นวาไอ้คนแก่ฝึกมาเนี่ยหลายปีอะไรอย่างเงี้ยจนถึงวันนี้เลิกเคยไปทำทำให้มันเป็นยึดสายทำให้มันเป็นปัจจัย mm hmm. ถ้าเรารับถือพระพุทธทพระธรรมระสงค์แล้ว ถ้าว่าเราไม่ทำความมีอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไมันมีความหมายอย่างนั้นจำเป็งให้ละพูดง่ายๆว่าละบาปบําเพ็ญบุญเรื่องนี้มันละบุญบำเพ็ญบาปกันแล้วเนื้อจ้าก่อนมันเอามันเอาม้ากออกหน้ารถ เดีย๋ยนี้มันอารถข อ, อกหน้ามา้าจะแล้วเดี๋ยวนี้เขาพูดใหเจ้าสัจจานว่าล่าบาปบาเพ็ญบุญมันก็ทำมาทำมามันไม่ทรมใจ ม, มันก็ล่าบุญมาเป็นบาปเดีย๋ยวนีเมืเ่อเสร็จหนึ่งโยมมันกลายเห็นะอาตมาได้เที่ยวไปหลายแห่ง ม, มันรู้จักลหลายๆอย่างบางทีบางฐานมันทำบาปทำบาปอะไรทำบา ฆ่าคนเอาเงินเด็นไม่ต้องทำอะไรเับมีคนเก็บแค่เงี่ยนใจมาเออไปฆ่าคนนี่กูเดาไปเลยยิงคนตายเอาเงินโอ้โหมันขนาดนี้มันก็มีเดีย ว, ว่าบ้านเราอาจจะมาว่ายัางยังยังสำคัญอยู่มอนกันชาวพุทธอุบลเรามีครูบาอาจารย์ืบเนื่องมาจากไหนอะไรมา เพียงหนอองึอย่างเหนยวล้ายก็ยังยังพออยู่ทำสมาธิมันก็เนื่องมาจากศีลการทำสมาธิจิตคือทำจิตให้มันเป็นหนึ่งจิตมันเป็น อ, รอารมณ์อันเดียวแบบแผนมันทัใหในนั่งคัดจมามือขวาจับมืองซ้ายขาขวาจับฝา่งซ้ายต่ตตางกายมันตรงภางวนาน กำห น, นดรมหายใจเข้าออก่นั้นะให้รู้จักนึกพุโทโธพุธโทโธนี้ก่อนอันนี้เป็นขั้นแรกของมันภาวนาเป็นขั้นแรกทาไปทาไปเรื่อยๆทำไปจิตของเราฝึก ไ, ไปมากๆเพื่อมันก็จะมีอารมณ์เดียวพอนั่งพุกมันก็จะมีอารมณ์เดียวให้ไม่มาก จิตเรามีอารมณ์ันเดียวน่ะจิตมันมีกำลังจิตมีอารม์หลายอย่างจิตกำลังมันน้อยการออกกำลังการจิตคือทำอารมณ์มันน้อยน้อยลงน้อยน้อยไปน้อ ย, อยไ ป, นยไปจนกว่าที่มันยุบลงให้มันเห็นให้มันเห็นรวมให้ใจต่อกนนเวลามี่จิตมั น, นมีกำลังจิตต้องรวม โดยมากจิตของเรานี่มันก็นมีกำลังพราะคิดมากสารพัดอย่างแต่เราไม่รู้จักไปหาโอกาสที่จะรักษาจิตโ ด, ดยไม่มีโอกาสโดยไม่รู้เรื่องว่าจิตเป็นเรินยังไงอะไรไมันเป็นไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จักทำได้ที่หลักทำลองลองโ ด, ดสูสิเอานั่งกัดสมาธิเข้า เอาเดีนี้หละอย่ามันไปถึงผู้หญงเอาเดี๋ยวนี้ ล, ง อ, ง อ, อ, ลองลองดูทีเอาโยมผู้หญิผู้ชายเอาถึงนั่นแหละนั่งสบายถ้าเพียบก็ได้อะไรก็ได้ลองลองดูทีนั่งสวดไหพระพุทธเจ้าในะวันนี้นะวันนี้วันสัตวเกิดวันสัตวนิพพานวั น, น, นสัตวกัจจโลธรรมวั น, น ดับตาลงสักนิดหนึ่งอย่าไปยิ้มตาให้มันแรงร่ากมันตรงก่อนหายใจเข่ายาวสื่อตรงเข่ายา ว, ยาวและอารมณ์บอกย า, ย า, ยาจสามครั้งเดีะยวก็หยุดหายใจยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนรอยแรงแค่แค่ไหนก็คแค่ไหนก็ ย, ยาประหยะัเอามันสบายเนาะสบาย ลมมันละลมมันออกลมมันถูกต้องตรงไหนดูมันตรงนั้นบางทีไอ้เสือตึงไปถึงจีบางคนมันไม่ถึงหนึ่งมันไม่ถึงมันถูกต้องตรงไห น, นเอาตรงนั้นเป็นอารมณ์ลองดูสักพักภาวนาเนี่มันเลิกก็เขาเลยภาวนานมันต้อเกิดปัญญา